เรื่องมารดาของนางกานาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมารดาของนางกานาเรื่องมีมาแล้วในพระวินัยมหาวิพังพระไตรปิฎกเล่มที่สองในการครั้งหนึ่งมารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ธิดาไปสู่ตรีกูลสามีขณะทอดภิกษุไปบิณฑบาตถึงสครั้ง นางกานาไปเรือนสามีช้าอยู่เพราะมารดาเสียเวลาทอดขนมสามีของนางนำพัญญาใหม่มาสู่เรือนนางกานาโกรธดาภิกษุว่าการครองเรือนของตนชิบหายแล้วเพราะเหตุแห่งภิกษุบินทบาตภิกษุไม่อาจเดินไปสู่ถนนได้พระศาสดาทรงทราบจึงเสด็จไปมารดาของนางกานาถวายบังคมนิมนต์ให้ประทับนั่ง ทรงถามถึงนางกานาว่าเป็นผู้เกอยืนร้องไห้อยู่พระองค์จึงตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมมารดาของนางจึงกราบทูลเรื่องราวแต่ต้นทรงตรัสถามมารดาของนางกานาว่าภิกษุสาวกของเราถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้วหรือว่าอย่างมีได้ให้ตอบว่าถือเอาสิ่งที่หม่อมชันถวายแล้วพระเจ้าค่ะถ้าสาวกเราเที่ยวบินทบาตถึงประตูเรือนเธอแล้ว เธอเอาสิ่งที่เธอให้แล้วจะมีโทษอะไรแก่สาวกเหล่านั้นเล่าทูลตอบว่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าค่ะแต่โทษของนางกานานั้นมีอยู่พระศาสดา จ, จึงตรัสกับนางกานาว่ากานาได้ยินว่าสาวกของเราเที่ยวบินทบาทมาถึงประตูเรือนนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มาดาของเจ้าได้ถวายขนมแกสาวกเหล่านั้น ชื่อว่าโทษอะไรจะมีแก่พวกสาวกทั้งหลายของเราเล่านางกาณาทูลตอบว่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นเท่านั้นมีโทษนางถวายบังคมพระศาสดาให้ทรงอดโทษแล้วครั้งนั้นพระศัสดาได้ตรัสอนุปุปพิคถาแก่นางนางบรรลุโสดาปติผลแล้วพระศัสดาเสด็จลุกจากอาสนะแล้วพระราชาได้เสด็จมาพบ ทูลถามความที่พระองค์เสด็จไปพบนางกานาให้นางกานาเป็นผู้ไม่ไร้ค่าแล้วและพระพุทธองค์ยังได้มอบโลกุตระทรัพย์ให้นางอีกด้วยพระราชากราบทูลพระบรมศาสดาว่าพระองค์ก็จะให้โลกิยาทรัพย์แก่นางด้วยเสด็จกลับแล้วไปพบนางกานาประดับเครื่องอาภรณ์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งราชดาผู้ใหญ่มอบมหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชกิจเลี้ยงดู และให้ทําบุญตามใจชอบจําเดิมแต่วันนั้นนางกานาได้ตั้งโรงแจกทานไว้ที่ประตูทั้งสีทิศบารุงภิกษุภิกษุณีพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุสีรูปที่ทําความเดือดร้อนแก่นางกานาะด้วยบิณฑบาตขนมทอดครั้งนั้นได้ทําความเดือดร้อนแก่นางมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในการก่อน ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ทำความเดือดร้อนแกนางเหมือนกันและที่นางได้เชื่อฟังถ้อยคำของเราก็ไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็ทำแล้วเหมือนกันจึงตรัสเรื่องทัพพ้ชาดกเรื่องนี้มีในขุตกะนิกายชาดกเอกนิบาศประไตปิดกเล่มที่สิบเจ็ดทัพพุแปลว่าหนูมัชรีแปลว่าแมวแมวตัวที่หนึ่ง ได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็ย่อมเกิดในที่นั้นตัวที่สามและตัวที่สี่ก็ย่อมเกิดในที่นั้นแมวเหล่านั้นถึงแก่ความตายแล้วทรงประชุมชาดกว่าภิกษุสี่รูปในบัดนี้ได้เกิดเป็นแมวสี่ตัวในครั้งนั้นหนูสี่ตัวในครั้งนี้หนูได้เป็นนางกานาในช่างแก้วคือเราตถาคตนั่นเอง ในอดีตกาลนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุนมัวอย่างนี้แต่นางได้เป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห่วงน้ํามีน้ําใสเพราะคําของเราและทรงตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห่วงน้ําลึกใสสะอาดไม่ขุนมัวฉะนั้นอธิบายคําว่าห่วงน้ําใสไม่ขุนมัวหมายความว่า ไม่หวั่นไหวเพราะลมเบื้องบนไม่หวั่นไหวเพราะฝูงปลาเบื้องล่างของดินละมหาสมุทรซึ่งลึกถึงแปดหมื่นสพันโยธชื่อว่าห้วงน้ําลึกส่วนสี่พันโยธในถ้ำกลางระหว่างลมและฝูงปลาย่อมไม่หวั่นไหวตั้งอยู่นี้ชื่อว่าห้วงน้ําลึกชื่อว่าใสาไม่ขุนมัวย่อมผ่องใสปราศจากอุปกปิเลตด้วยสามารถแห่งมักมีโสตาปฏิมักเป็นต้น ผู้บรรลุอรหัตแล้วยอมผ่องใสด้วยส่วนเดียวแลนิลลมหาสมุทรลึก8ป0 0มืนสี่พันโยธจากผิวน้ำลงไปลึกสี่0มื่นโยธกระเพื่อมด้วยแรงลมถัดลงไปสี่พันโยธได้แก่ห่วงน้ำลึกถัดลงไปอีกสี่หมืนโยธที่เหลือเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและสัตว์น้ำน้อยและใหญ่ผิวน้ำย่อมถูกแรงลมแล้วกระเพื่อมไวตลอดเวลา ดุดอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบเข้ามาทางอายต น, นะรอยช่องต่อทวารทั้งหกฝูงปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ดุดสังโยชน้อยใหญ่ที่ยึดไว้เป็นตัวเป็นตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนมีมานะอสมีมานะอาหางการมมังการตัวกูของกูและสิ่งที่เนื่องด้วยกูเต็มหัวใจไปหมดเกิดเห็นแก่ตัวแก่ตนวิปลาสคลาดเคลื่อน แต่ห้วงน้ำลึกตรงกลางอุปมาดุดทางสายกลางคืออริยมรรคหนทางอันประเสริฐเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าสามารถปฏิบัติถึงได้ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์เบื้องบนและอุปกิเลส ท, ทั้งหลายที่หมกจมอยู่ย่อมผ่องใสไม่ขุนมัวการฟังธรรมเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาบัณฑิต คือผู้มีปัญญาทั้งหลายยอมประพฤติเป็นจรณะนั่นแหละอันหนึ่งเรื่องนางกานากโกรธภิกษุบินทบาต ท, ทำให้ไปเรือนสามีช้าสามีนำพัญญาใหม่มาสู่เรือนนี้เป็นกรรมเก่าของนางกานาถ้าไม่ยอมรับว่าเป็นกรรมเก่าก็จะด่าภิกษุดังเช่นเรื่องนี้ถ้ายอมรับตามพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสิ่งที่เห็นได้ยินนี้เป็นกรรมเก่า ถึงนางจะไปสู่ตระกูลสามีเช้าหรือเร็วสามีก็ต้องมีพัญญาใหม่ไม่ใช่เกิดจากภิกษุไปบิณฑบาต ท, ที่เรือนมารดาผลย่อมเกิดแต่เหตุควรทำความเข้าใจเรื่องกรรมสูตรจากพระไตรปิฎกเล่ม18ปเข้าใจแล้วให้ยอมรับเสียจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลละกรรมกรรมให้แก้อย่ากอ่อเวรให้ตัดอยาอ่าต่อ